37. วิธีเดินจงกรมเพื่อเจริญวิปัสสนาวงเล็บเปิด 1. ยสิบก้าพฤษภาคม 2,552 ในวงเล็บสองวงเล็บปิดวิธีเดินจงกรมจะยากอะไรล่ะเดี๋ยวเดินให้ดูก็ได้นี่จะเดินจงกรมให้ดูเดินจงกรมคือเดินรู้สึกตัวไม่ใช่เดินเพ่งๆนะเดินจงกรมเดินไปสบายๆเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยสงสัยว่าเดินจงกรมเอามือไว้ที่ไหน ไม่อยู่คราวหนึ่งสงสัยว่าเดินจงกรมเดินอย่างไรตอนนั้นอยู่กับหลวงปู่เทศท่านเพิ่งสร้างมณฑบใหม่กุฏิเก่าของท่านยังอยู่อยู่ใกล้ๆกับมณฑบท่านให้เราไปอยู่กุฏิเก่าท่านมองเห็นท่านทั้งคืนเลยกลางคืนเห็นท่านเดินจงกรมเราก็เอ๊หลวงปู่เอามือวางไว้ที่ไหนนะพอคิดปุ๊บนะวงเล็บเปิดหลวงปู่เดินแกว่งแขนให้ดูวงเล็บปิดโอ้อยู่กับครูบาอาจารย์มันมากเลยมันไม่ได้อยู่ที่ท่า แต่มันอยู่ที่สติจํามาไว้นะมันอยู่ที่สติแต่กระบวนกาก็มีส่วนสัมพันธ์กับสติเวลาเราเดินเราเดินไปสบายสบายไม่ช้าไม่เร็วแต่พวกเราเวลาสุดทางจงกรมปุ๊บนี่ชอบหมุนตัวกลับแล้วหมุนตรงนี้ถ้าขณะที่เดินไปแล้วหมุนตัวกลับปุ๊บนี่จิตมันจะกระเด็นจิตมันจะถูกเวียงออกไปฉะนั้นเวลาเดินจงกรมนะ เดินไปพอสุดทางแล้วเราก็หยุดก่อนรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆพอสบายแล้วก็หมุนตัวกลับมาไม่ต้องหมุนช้ามากนะไม่ใช่สามวันแล้วยังไม่ถึงหมุนสบายๆแล้วอย่าเพิ่งเดินสังเกตไหมพอพวกเราหันกลับมาปุ๊บจิตมันจะเดินก่อนร่างกายนี่สติมันไม่ทันแล้วนะเช่นหันอย่างนี้เดินๆมาสุดทางปุ๊บหมุนปับ๊บอย่างนี้จิตกระเด็นไปที่หนึ่งแล้วพอหมุนมาทางนี้นะ จิตมันเดินไปก่อนตัวแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นเวลาสุดทางแล้วเราก็หยุดสักหน่อยอย่าเพิ่งหมุนตัวตรงนี้เป็นเคล็ดลับเลยเราเดินไปด้วยความรู้สึกตัวพอสุดทางรู้เนือ้อรู้ตัวให้ดีสบายสบายแล้วก็หมุนกลับมาแล้วอย่าเพิ่งเดินรู้ตัวให้สบายสบายแล้วค่อยเดินเดินจงกรมนะเดินให้มีสติไม่ใช่เดินเอาระยะทางส่วนอีกพวกหนึ่งเดินเพ่ง จะเพ่งเพ่งไปเดินจงกรมเดินให้เป็นมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกตัวของเราเวลาเราเดินไปเราเห็นร่างกายเดินใจเราเป็นคนดูเดินเดินไปใจลอยรู้ว่าใจลอยรู้ทันจิตรู้ทันกายเดินรู้กายเดินรู้จิตเรียกว่าเดินอย่างมีสติเพราะสติเป็นเครื่องรู้กายรู้จิตไม่ใช่เดินทรมานตัวเองบางคนเดินทรมานตัวเองบางคนเดินเอาระยะเวลา ตั้งใจว่าจะเดินสักห้าชั่วโมงพอเดินได้แล้วก็ภูมิใจอย่างนี้ได้กิเลสนะแต่ไม่ใช่สอนว่าเดินนานๆไม่ดีนะบางคนเวลาที่เดินแล้วสติเขาดีเขาก็เดินมากถ้าเขาเดินมากๆแล้วเขาสติดีก็ใช้ได้ไม่ใช่อัตตกิลมถานุโยกแต่เดินไปแล้วทรมานตัวเองไปนี่อัตตกิลมถานุโยกจำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝึกนี่เราต้องฝึกให้มีสติทุกอิริยาบถ อย่างหลวงพ่อฝึกมานานใช่ไหมหลวงพ่อหมุนเร็วอย่างไรมันก็ไม่ไปแล้วจิตมันไม่เหวียงหรอกแต่หัวเวียงนะเพราะร่างกายเราชักแก่แล้วหมุนปับ๊บหน้ามืดเอาง่ายๆเหมือนกันแต่จิตไม่ยอมไปหรอกเวียงอย่างไรก็ไม่ไปพยายามฝึกให้มีสตินะรู้กายรู้ใจไปทุกๆอิริยาบถนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายขยับเราดูเรื่อยๆดูสบายๆอย่าไปเพ่งสายร่างกายถ้าเพ่งร่างกายกลายเป็นสมถะอีก อย่าเพ่งไม่ลืมกายไม่ลืมใจในขณะเดียวกันไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจแค่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยใช้เวลาไม่นานหรอกวงเล็บเปิดสองี 2, 23, ่สามพฤษภาคม25งพ้าห้าสในวงเล็บสองวงเล็บปิดเวลาเดินจงกรมอย่าไปกําหนดให้รู้เล่นเล่นมิฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นจะเป็นมิจฉาสมาธิ จิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ตั้งมั่นแต่เป็นจิตที่ลงไปแช่อยู่กับอารมณ์จิตจะจมอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอารามานูปนิชฌานเป็นสมถะถ้าใจอยู่ตั้งหากเห็นร่างกายเดินจะรู้สึกทันทีร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีนี่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าวางจิตผิดนะเอาจิตไปอยู่ที่เท้าแนบไปเลยไม่หลงเลยนะมีสติแต่กลายเป็นสมถะ แต่ถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่เห็นร่างกายมันเดินอยู่จะเห็นเลยตัวที่เดินอยู่นี่ไม่ใช่เราเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นภาวนาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนี่ต้องมีสติตัวหนึ่งมีสัมมาสมาธิอีกตัวหนึ่งคือมีใจที่ตั้งมั่นไม่ใช่มิจฉาสมาธิคือใจที่เข้าไปแช่กับอารมณ์ตรงนี้ต้องแยกให้ออกผู้ปฏิบัติที่ล้มลุกคลุกคลานเพราะแยกมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิไม่ออก นี่ตัวหนึ่งเพราะแยกสัมมาสติกับมิจฉาสติไม่ออกนี่อีกตัวหนึ่งสติก็เป็นสติกําหนดไปหมดสมาธิก็เป็นสมาธิเพ่งจ้องไปหมดสติเป็นแค่ระลึกสมาธิเป็นความตั้งมั่นในขณะที่สติระลึกถ้ารู้สึกอยู่ตอนเดินก็จะเห็นเลยร่างกายที่เดินอยู่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนดูอยู่ตัางหาก ร่างกายที่ถูกดูอยู่นี่ไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยพอจิตหลงคิดไปเราก็เห็นเลยจิตหลงไปแล้วจิตที่หลงไปตะกี้ดับไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกจิตก็เกิดดับก็เห็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็เป็นสมถะถ้ากําหนดไปเรื่อยๆก็เป็นสมถะ